ن ن س س และทรงทำให้ดวงจันทร์ในชั้นฟ้าเหล่านั้นมีแสงสว่างและทรงทำให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้าแล้วเราทรงบังเกิดพวกเจ้าจากแพัล้วเราทรงบังเกิดพวกเจ้าจากแผ่นดินเช่นพืชผักล้วเทรงบังเกิดพวกเจ้าจากแผ่นดินเช่นพืชัราทรงบังเกเจ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 เพื่อพวกเจ้าจะได้สัญจรไปมาตามพื้นที่โล่งกว้างนั้นนัวได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันถ้าจริงพวกเขาได้ฝ่าฝืนฉันและเชื่อฟังผู้ที่ทรัพย์สินของเขาและลูกหลานของเขาไม่ได้เพิ่มพูนอันใดแก่เขา และพวกเขาได้วางแผนร้ายอันยิ่งใหญ่และพวกเขาได้กล่าวว่าพวกเจ้าอย่าได้ทอดทิ้งพระเจ้าทั้งหลายของพวกเจ้าเป็นอันขาดพวกเจ้าอย่าได้ทอดทิ้งวัดและสุวร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 มมอันเนื่องจากความผิดอันมากมายของพวกเขาพวกเขาจึงถูกให้จมน้ำตายและจะถูกให้เข้าอยู่ในไฟนรกดังนั้น พวกเขาจะไม่พบผู้ช่วยเหลือสำหรับพวกเขาอื่นจากอัลลอฮและนัวได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์อย่าทรงปล่อยให้พวกปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยู่บนแผ่นดินนี้เลยอ พระแท้จริงหากพระองค์ท่านทรงปล่อยพวกเขาหลงเหลืออยู่พวกเขาก็จะทาให้ปวงบาวของพระองค์ท่านหลงผิดและพวกเขานั้นจะให้กาเนิดแต่พวกเลวทามพวกปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นรบบิรลีวลิวะลิดีย์วลิมัดบุิะ์ิมัุิีวล์ลมิลมัต